วันคืนล่วงไปมีอะไรพัฒนาขึ้นที่ใจของเราเรารู้เราเองรู้แก่ใจวันคืนล่วงไปมีอะไรพัฒนาในใจของเราเรารู้แก่ใจของเราเอง เป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจไม่มีความหวังอะไรเลยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยหรือมีความหวังเต็มที่มีติดไม้ติดมือเป็นกอบเป็นก ร, รมพิจารณาดูให้ดีนะหมู่เพื่อนเป็นพาพูดพาคุย พาเล่นพาหัวก็ลืมนะลืมตัวนะเลยพากันเห็นเป็นเรื่องเล่นไปหมดไม่สำคัญไปหมดนะไม่ได้นะเสียหายนะวันคืนล่วงไปมีอะไรจะเจริญมีอะไรพัฒนาในหัวใจเราบ้างเราไปเช็คเราไปตรวจสอบ เป็นที่รู้แก่ใจวันคืนล่วงไปล่วงไปเราหมกตัวอยู่หรือเปล่าหรือเรามีความมุ่งหวังอะไรมุ่งมั่นอะไรคว้าอะไรติดมือบ้างพิจารณาดีวันเวลามีค่า แต่ละนาทีแต่ละห้านาทีสิบนาทีมันมีค่ามากมากทำไมจะปัญญาจะเจริญในหัวใจของเราทำไมเราจะฉลาดทันอันนันบ้างทันอันนี้บ้างในสิ่งที่มันพาเราโง่นั่นนะทำไมเราจะทันมันบ้างตัวนั่นต่างหากที่เราควรจะเพ่งมองไป ทนความโง่อของตัวเองอะนะไม่ใช่ทันความโง่อของคนอื่นนะหากทันความโง่อของตัวเองมันก็พลอยทันความโง่อของคนอื่นไปด้วยแต่ทันความโง่อของคนอื่นแต่ตัวเองยังโง่ อ, อยู่เนี่ยก็ได้อะไรเป็นผลเหลือก็เราพลอยโง่ไปตามเขาละ ทันกิเลสในใจของตัวเองนั่นแหละทันความโงของตัวเองเราให้อะไรคุณค่าให้คุณค่าอะไรที่สุดในหัวใจของเราถ้าเราไม่ศึกษาสิ่งเหล่านี้ไม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้อะไรจะมีคุณค่าที่สุดในหัวใจของเราถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องธรรมเรื่องศีลเรื่องธรรมก็สูงหัวใจเรื่องเรื่องความระมัด ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้เป็นไปตามธรรมเป็นไปตามวินยัยเป็นไปตามวินยัยเป็นไปตามศีล น, นั่นแหละศีลมากศีล น, น้อยอยู่นี่ตั้งหมดเนี่ยศีลห้าก็มีศีลแปดก็มีศีลสองรอยิบเจ็ดก็มีถ้าเราไม่คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะมีคุณค่าในหัวใจของเรา กลบเกลื่อนไปวันวันกลบเกลื่อนไปวันวันเราต้องให้คุณค่าของเวลากับสิ่งที่มีโทษกับสิ่งที่มีคุณในหัวใจของเราให้คุณค่าสิ่งที่มีคุณในหัวใจของเราให้คุณค่าของสิ่งที่เป็นโทษในหัวใจของเราเพื่อที่จะละเพื่อที่จะปลดที่จะเพลืองที่จะวางมันเนี่ย กิเลสตันหาอาสวะในหัวใจของเราดูไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆดูให้เห็นดูให้เข็ดให้หลาบไม่ใช่ดูอย่างเป็นมิตรดูอย่างเป็นมหามิตรดูให้เห็นเป็นศัตรูดใูให้เห็นเป็นมหาศัตรูมันเกิดอยู่ในมุมฉากเดียวกันในหัวใจของเรานั่นแหละ มันอยู่ในส่วนหนึ่งซีกหนึ่งของหัวใจของเราหนะ่อยดูให้ออกไปตั้งโจทย์โจดไปที่อื่นโจดไม่ถูกตั้งประเด็นไปที่อื่นตั้งโจทย์ไปที่อื่นแก้ไปที่อื่นเห็นว่าปัญหาเกิดจากที่อื่นผิดเต็มเป้าผิดเต็มร้อยทําความรู้ตัวอยู่กับตัวเองตลอดทำมันโง่ตลอ ด, ล อ, ดลองดู เราจะเห็นคุณเห็นโทษของมันไปเดินไฮโรอยู่อย่างนั้นอะไปนั่งไฮโรอยู่อย่างนั้นอยู่คนเดียวเป็นอิสระแก่จิตแก่ใจของตัวเองโล่งทงปโปรงเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเนี่ย yeah. การที่เราจะปลดเปลื้องการที่เราจะปล่อยจ ะ, ะจะละจะละจะวาง จะเบาบางไปจากสิ่งเหล่านี้ต้องย้อนไปเล่นงานผู้รู้เราเองย้อนลองย้อนไปใส่มันดูย้อนไปใส่มันดูมันจะเจอทีเด็ดของมันที่มันแสดงออกมาเนี่ยไอตัวที่เป็นพิษเป็นภัยนั่นแหละตราบใดที่เรามันโผล่มาเราเจอมันบ้างโผล่มาเจอมันบ้างโผล่มาเจอมันบ้างนั่นแหละคือที่ตอกกันแหละตรงนั้นแหละเป็นตัวที่เราจะ พูดได้ว่านั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นใจเป็นสมรภูมิที่จะได้ได้อา่าได้ทำเกิดอัดเกิดทำขึ้นมาตรงนั้นย้อนเข้าไปสะสมกําลังกับความสงบก็สะสมเข้าไปสะสมกําลังคือความสงบนะสะสมเข้าไปไม่ปล่อยให้เลื่อนลอยไปอย่างอื่นที่อื่นเรื่องอื่น ให้นิ่งสงบอยู่กับอารมณ์เดียวจากนั้นแล้วก็ตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจมันไปถ้าหมุนไปที่อื่นคิดไปที่อื่นคิดไปเรื่องอื่นเข้าใจเรื่องอื่นดิบดีเรื่องอื่นดีไม่ดีไม่ทันมันนะไม่ทันมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็ไม่เชื่องชิน หันเข้ามาดึงเข้ามาเพื่อที่จะดูงานข้างเราข้างในเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่เชื่องไม่ชินหันเข้ามากับงานข้างในของเราเนี่ยเพื่อที่จะรู้จะเท่าทันกันตามรู้กันทุกขณะอย่างงี้เราพอที่จะรู้เงื่อนของมันบ้างพอมันเป็นอิสระแก่ตัวต้องการให้สงบให้มันสงบเข้าไป ขยับออกมาหน้าสิวหน้าขวานเขาว่าหน้าสิวหน้าขวานก็คืออยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่มันจะเพิ่งเกิดขึ้นตั้งตาหูจบุกลิ้นกายใจมีหน้าสิวหน้าขวานไม่ระวังโดนสิวมันตอกหน้าผากเลยโดนขวานมันตอกหน้าผากถ้าเราไม่ระมัดระวังหน้าสิวหน้าขวานแท้แล้วเนี่ย ยินดียินร้ายยินดีพอใจกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่เรื่องของธรรมเนี่ยโดนสิวมันตอกเข้ามาแล้วโดนขวานมันตอกเข้ามาแล้วดีไม่ดีเลือดเยิ้มเลือดหยดนอกจากหยดแล้วก็เยิอมถูกตอกคุณแรงอ่เย้อมเลือดเยอม้อยอ ม, ออมทะลักออกมามองไม่เห็น นั่นแหะเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกเป็นทุกที่มันมาทับถมหัวใจของเราแล้วมันจะมาบั่นทอนหัวใจของเราเราไม่เราม่ระวังมันค่อยกระเทาะค่อยค่อยกระแทกค่อยค่อยกระทุ้งกระเทาะกระเทาะกระเทะกระเทะกระทา ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะในสุดหลุดไปได้ร่วงไปได้เหน็นไหมเป็นของหลุดเป็นของร่วงคิดว่าจะของนั่นขันแน่ น, น ận, ขนาดไหนน็อตยังหลุดยังร่วง ดูให้ดีของที่เราคิดว่าเหนียวแน่นมั่นคงขนาดไหนมอถูกกระเทาะกระแทกอยอะเอยเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ร่วงต้องดูมันเพื่อบรนเทาเพื่อผ่อนคลายเพื่อผ่อนเพื่อคลายเพื่อจางกำลังของมันน้าหยดลงหิน หยดทุกวันทุวันหินมันยังกรนก็ว่ามันยังกรนกิเลสกระแทกหัวใจของเราทุกขณะทุกเวลาเนี่ยมันจะไปอยู่อะไรได้มันกระทาะกระแทกจนพังหมดที่ไม้ยวายพวงหมดไม่มีอะไรเหลือเสียท่าเสียทีให้กับมันได้ง่ายๆเราคิดอย่างนี้เราพิจารณาอย่างนี้ทําให้เราไม่ลืม ภุรณะที่ของเราหน้าที่รักษาศีลหน้นาที่ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเจริญปัญญาในหัวใจให้เกิดความรอบรู้เกิดความฉลาดรู้เท่าทันสังขารที่มันออกมาโดดโลดเต้นต่อหน้าเรา น, ะนั่นบางทีถูกถูกกิเลสดึงมาโดดโลดเต้นไปตามเพลงของมัน น, ะนั่นกิเลสก็เป็นสังขาร อารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับกิเลส ท, ที่มันปรุงซึ่งเป็นอารมณ์เข้าไปในหัวใจนะกัเป็นสังขารสิ่งที่เป็นนามรรมันทํามาประกอบกันนะกัเป็นกองสังขารกองสังขาร น, นามกองสังขารรูป ก, กองสังขาร น, นามกองสังขาร น, นามเนี่แป๊บเดียวเราก็หลงให้กับมันละแตนน่เราไม่ใส่ใจจริงๆไม่มีความรู้โรูอยู่กับตัว จริงๆเน exactly. ี่ยเพลบเดียวเสียทายกับมันแล้วเพบเดียวเสียทายกับมันแล้กองสังขารามสิ่งประกอบกันทั้งหมดน่ะเรียกว่ากองสังขารเรียกว่ากองสังขารกัใช่เรียกว่าเหตุปัจจัยกัใช่มันเกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละเหตุปัจจัยกันเดียวกันนั่นแหละกองสังขารกันเดียวกันน่ะสิ่งปรุงแต่งกันเดียวกันนั่นแหละส่วนประกอบต่างๆก็อันเดียวกันนั่นแหละคือกองสังขานั่นแหละ กองสังขารก็คือกิริยาความทุกข์ที่มันคงที่อยู่ไม่ได้มันปรับเปลี่ยนตัวเองมันไปเรื่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีหยุดนิ่งไม่มีหยุดนิ่งอยู่กับที่นี่นคืออะไรก็คือคือคือทุกข์ทุกในหลักอริยสัจทุกข์ทุกขงง ang, ังทุกขังทางอนิจจังทางทุกขัง ทายาวันเดียวกันก็ใช่ถ้ายาว่าต่างกันก็ใช่มันเป็นกิริยาสืบเนื่องต่อจากกันอันนี้จังทุกขังเราดูยังไงเราจะเห็นนะก็พิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณาดูความไม่ทนของมันไม่คงทนของมันเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนไปแป๊บเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนไปการที่มันเปลี่ยนไปก็คือมันไม่มันไม่อยู่เหมือนเดิมไม่คงที่ไม่อยู่เหมือนเดิม มันอยู่คงเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเหตุที่มันต้องเปลี่ยนไปมันก็ไม่อยู่เท่าเดิมไม่อยู่คงเดิมคงที่ทั้งสองอย่างทำให้กวาทุกขังทำให้ควาอนิจจังเราก็พยายามดูว่้เห็นเพื่อไม่นิ่งนอนใจเพื่อไม่ตายใจเพื่อไม่หวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันดูอย่างละมัดระวังดูอย่างไม่เชื่องชิน ดูอย่างไม่หวังพึ่งมันดูอย่างตั้งความระแวดระวังกับมันถ้าเราไม่ตั้งใจระแวดระวังกับมันยิ่งไปยึดอีกอีกด้วยแล้วก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่และเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเสียใจแล้วอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเสียใจแล้วอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเสียใจแล้วร่างกายอยู่สะดวกสบาย เดี๋ยวเจ็บแค่ได้ป่วยมามันเปลี่ยนไปแล้วทุกข์แล้วต้องการอยู่เท่าเดิมไอ้ตอนที่อยู่สุขสบายถ้าหากกังวลกับมันกลัวมันจะเปลี่ยนไปนี่ก็ทุกทุกโล่งหน้าแล้วเวลามันทุกข์ไปแล้วก็ทุกข์เพิ่มเข้าไปอีกเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่เราคาดเราหมายเราเดา ว, ว่าเร า, เ, รเราจะได้เรื่องนั้นเราจะได้เรื่องนี้จะได้สิ่งนั้นจะได้สิ่งนี้คิดคาดเดาล่วงหน้าไว้แล้วแหละเออถ้าเกิดเราไม่ได้เราจะ ทุกอย่างลําบากลําบากใหญ่แล้วเกิดปัญหาแล้วเนี่ยปัญหามันส่งมาให้เราทุกระยะทั้งคาดหน้าคาดหลังคาดหน้าก็นําทุกขเข้ามาแล้วคาดหลังก็นําทุกเข้ามาแล้วสมมุติปัญหามันจะเกิดอย่างงั้นปัญหามันจะเกิดอย่างนี้สมมติเราร่วงไปอย่างงั้นเราร่วงไปอย่างนี้ปัญหาเพิ่มมาอย่างนี้เราต้องแก้อย่างนี้เราต้องทุกอย่างนี้ดูไปดิมันละเอียดนะ อารมณ์เหล่านี้ที่มันจะมาแทรกเสียงในหัวใจของเราเกี่ยวกับเรื่องนมามธรรมมันทุกข์นะวิตกกังวลรุ่งหน้าทุกขทรพัอน์ชั่วโมงนี้จะทํานี้ชั่วโมงหน้าจะทํางั้นวันนี้จะทํานี้พรุ่งนี้จะทําอย่างนั้นอวันนี้จะทํานี้วันหน้าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนั้นถ้าเกิดไม่เป็นไปตามนั้นโอ้เราจะต้องมีปัญหาอย่างนั้นแก้อย่างนั้นอย่างนั้นอ้าวทุกข์แล้ว ทุกทับถมม้วนใจขึ้นมาก่อนแล้วนี่คือเราปล่อยให้มันคาดมันเดามันหมายทุกวิธีปฏิบัติท่านให้ดูภาวะที่มันเกิดขึ้นตามเป็นจริงในปัจจุบันอย่าลืมว่าปัจจุบันปัจจุบันไม่ให้มันส่งไปหน้าไม่ให้มันส่งไปหลังไม่ให้มันกะเกณฑ์ไปข้างหน้าไม่ให้มันกะเกณ์ไปข้างหลังไม่ให้มันคาดเดาล่วงหน้าไม่ให้มันคาดเดาได้ล่วงหน้าไม่ให้มันคาดเดา เสียล่วงหน้าไม่งั้นปล่อยไปมันก็มีอย่างเดียวนะคาดเดาได้คาดเดาเสียโอ้ยทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ถึงนั่นแหละโอ้ยดีใจตั้งแต่ยังไม่ถึงนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันคาดเดาล่วงหน้าเสียใจตั้งแต่ยังไม่ถึงนั่นแหละเสียใจกับทุกข์อ่าผิดหวังก็ทุกข์สมหวังก็ทุกข์ผิดหวังก็ทุกข์สมหวังก็ทุกข์ก็เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่กับ ปัจจุบันเรื่องจริงของจริงในปัจจุบันเราไม่มีโอกาสที่จะตามมันทันถ้าไม่ศึกษารู้กิริยาอาการเขามันไม่ทันไม่รู้เท่าทันให้จิตได้รับความสงบเราค่อยอยารู้ทันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งจิตเรเริ่มสงบเราก็าจะเริ่มรู้ทันอ๋ออันนี้เป็นอัอนนี้อ๋ออันนี้เป็นอันนี้อ๋ออันนี้เป็นจิตมันละเอียดมันลึกจิตมันไม่ เชื่องกับอารมณ์ที่โผล่เพลบเดียวเพบเดียวแพลบเดียวมันมีข้อระมัดระวังมีมันมีความสำมบกสังวรมันมีการคุมเชิงเนี่ยภาษาอะไรคุมเชิงดูท่าทีสงวนท่าทีสังวรระวังคุมเชิงเอาแล้วแต่จะว่าไปอันเดียวกันนั่นแหละอารมณ์ภายในหัวใจของเรา พลังที่จะมาช่วยเสริมก็คือความสงบเราสร้างเข้าไปอบรมเข้าไปได้ครั้งละหนึ่งนาทีครั้งละสองนาทีครั้งละห้านาทีครั้งละสิบนาทีเห็นคุณค่าของเวลาอย่าไปนั่งหายใจทิ้งเฉยอย่าไปเดินหายใจทิ้งเฉยเฉยอย่าไปนั่งคุยกันอย่าไปเดินโศกันเล่นเฉยเฉยเสียดายเวลาเสียดายคุณค่าของชีวิตที่เราจะพึงได้พึงถึง โดยเฉพาะเรามาหยุ่ตรงนี้เราอยู่เพื่อตักตวงคุณงามความดีก็สมวัชใจพื้นเพของจิตที่ดีที่เราฝึกฝนอบรมได้นั่นแหละคือความดีติดเนื้อติดตัวไปเลยแหละจะอยู่อย่างนี้ก็ตามจะออกไปก็ตามจะศึกก็ตามจะอยู่ไปเท่าไหร่ก็ตามสิ่งเหล่านี้ติดเนื้อติดตัวไปถ้าไม่สะสมไม่เร่งไม่รีบ ไม่เห็นคุณค่าแล้วเราจะได้อะไรติดเนื้อติดตัวไม่มีไม่มีปัญญาเท่านั้นที่เราควรพัฒนาให้รอบรู้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่รู้แหละทุกโทษอะไรผ่านหน้าผ่านหูผ่านตามาไม่รู้ละความับความับคว้ามหมดคว้ามหมดสมาธิเราฟัง กรรมัระวังด้วยสติด้วยสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องไม้มเครื่องมือมันเป็นอาวุธอยู่ในมือจอสัมรวมระมัดระวังยสังวรสังวรไม่ให้มันยินดีในอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้มันยินร้ายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นสักถ้าว่าเห็นไม่มันยินดีเกิดขึ้นยินดีเกิดขึ้นให้รู้โอ้ยินดี ม, มันก็ดับ ยินร้ายเกิดขึ้นโอ้ยินร้ายเอา u, มันก็ดับถ้ามีคนคอยดูคอยขุมอยู่มันเร็วมันเร็วพร้อมที่จะรู้ว่าดีไมด่ดีควรเอาไม่ควรเอาโอ้ยินดีเนีย่ยรู้มันไม่เป็นกลางแล้วโอ้ยินร้ายเออมันไม่เป็นกลางแล้วมันไม่สักแต่ว่าเห็นแล้มันไม่สักแต่ว่าได้ยินแล้วมันไม่สักแต่ว่านึกมันไม่สักแต่ว่าคิดแหละความนึกความคิดที่เป็นอารมณ์ภายในใจนั่น มันหลอกเราได้นึกเองคิดเองหลอกจิตของเราเองเราดูไปที่นึกเองคิดเองหลอกจิตของเราเองเราทันมันไหมมันะเอียดนะเราไม่ทันมันทําความสงบเข้าไปเอาความสงบเป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังของเราไปก็ค่อยพิจารณาไปค่อยรู้ค่อยค่อยเข้าใจค่อยๆทันมัน ในโลกนี้ใครไปเราไปรับนุนรับนี้ไปกระเกณงสิ่งนุนสิ่งนี้ไปคาดหมายไปคาดดาวสิ่งนุนสิ่งนี้ไปรับภาระสิ่งนุนสิ่งนี้ไม่สามารถจะทําอะไรได้ตามตามใจคิดตามใจคาดใจเดารับภาระได้เฉพาะจับยับยับในปัจจุบันทันตาเฉพาะในขณะต่อหน้าเราในแถานั้นอ รัพภาระไม่ให้มันยินดีรัพภาระไม่ให้มันยินร้ายแต่ให้ยินดีในข้อปฏิบัติให้ยินร้ายในกิเลสที่เป็นโทษเป็นภัยที่มันจะพึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเครียดแค้นให้กับมันตามล่าฟาดหัวกบานมันร้องดาวมันลั่นโลกทานลองรูยินร้ายกับสิ่งที่ชั่วร้ายให้ยินดีในข้อปฏิบัติ อันนี้เป็นมกักแต่ไม่ให้ยินดีในอารมณ์ที่เห็นเฉพาะรูปเนี่ยสักเทว่าเห็นตาเห็นก็สักเทว่ะเห็นรูปได้ยินก็สักเทวะได้ยินได้กลิ่นได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักเทวะสัมผัสมันสักเทว่ามันเป็นยังไงลองกําหนดดูเวลามันเป็นไอ้กว่าสักเทว่าสักเทวะมันเป็นยังไงทําไมท่านจึงให้เจริญเจริญสติ เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสัมผัสสักแต่ว่าได้สัมผัสถ้ามีสติกำกับอยู่มันสักแต่ว่าจริงๆความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดในเมื่อยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดสักแต่ว่ามันก็ต้องมีมันไม่เกิดเป็นโทษเป็นภ er ัยเขาเรียกว่ารู้เท่าทันภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นยับยับยับยับยั บ, ยบนั่นแหละคือหลักหลักธรรมชาติที่แท้จริง แต่ถ้าเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายแล้วแสดงว่าถูกเจ้าตันหามันลูกคลำหัวใจเราแล้วถูกตันหามันแทรกเข้ามาแล้วอันนี้เป็นลูกสมุนมันละเอียดและออมากที่มันจะมาลูกคลำหัวใจของเราได้อย่างสบายได้ตามต้องการได้ตามใจของมันพิจารณาดูให้ดีได้รับความสงบพิจารณาเท่าทันปัญญาย้อนเจอะมาที่จิตของเราเนี่ย อย่าไปดูที่อื่นไปจับที่อื่นผิดหมดดูมาที่ผู้รู้เรากับอารมณ์ที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องเนาะก็หนดจดจ่อดูตรงนี้แหละตามล่ามันอยู่ตรงนี้แหละนั่งภาวนาเนี่ยยุ่งกวนบ้างอะไรกวนบ้างเสียงกวนบ้างอะไรกวนบ้างจอมันอยู่นี่แหละไม่ให้มันยินดีเกิดขึ้นไม่ให้มันยินร้ายเกิดขึ้นให้จักแต่ว่ารู้มีสติมีสัมผัญญั ก, กํากับอยู่อันนั้นคือความเห็นที่บริสุทธิ์ ตัณหาไม่เกิดถ้าเลือให้ยินดีถ้าเลือให้ยินร้ายนั่นตัณหาเกิดแล้วเราคิดว่าเรายินดีไม่ใช่ไม่ใช่ยินดียินดีอนดพอใจไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ตัณหา ม, มันก็ไม่มีดอกที่จะไม่ไม่พอใจในผลงานที่เราทำแต่หากมันผลมันปรากฏเกิดเกิดขึ้นแล้วหลังจาก ผลงานที่เราสำรวมได้เราระมัดระวังได้ไม่ใช่ยินดีในขณะนั้นขณะที่ล่วงไปจากนั้นอ่ะที่เราไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหะตัวนั้นเออจิตจิตเราเป็นกลางรักษาได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายดูแต่มันไม่เอาทุกมาทับถมหววใจของเราไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดไม่ดานไม่ดีดไม่ดิ้นไปตามอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น เดืร้อนวุ่นวายไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นดูไปในใจแล้วก็ลำพึงลำพันพิจารณาไปแยแยๆไปทำความศึกษาไปรู้ไปพิจารณานั้นบ้างพิจารณามาที่ธาตุขันเราบ้างการที่เราพิจารณาธาตุขันเรามันก็มีรูปธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราเรานั่งหลับตาธรรม มันก็ไม่พ้นใช้รู ป, ปนิมิตกกำหนดเข้าไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหัดพิณิพิจารณากากับลงไปหากเจ็บปวดขึ้นมาเจ็บที่ไหลเจ็บที่คอเจ็บที่เอวต่อพวกหัวเขา่าฝ่าเทียนปลายเท้ามันปวดตรงไหนแล้วกาหนดรูนี่แหละคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นที่กาย เอาผู้รู้มากำหนดจุดเจาะอยู่กับทุกเวทนาอันนี้อันนี้คือภาวะธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่กายซึ่งเป็นผลิตผลที่เราต้องดูแลเราต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่ทันมันก็สวมรอยเข้ามาอีกเลาปวดแล้วหลังปวดหลังแล้วหลังเราปวดแล้วมันสําคัญว่าเป็นตนก่อนพอสําคัญว่าเป็นตนเสร็จแล้วเนะี่ยมันยึดได้หมดแหละ เราปวดหัวเขาเราปวดบั้นเอวเราปวดตบโพกเราปวดฝ่าเท้าปลายเท้าเราปวดไหลเราปวดต้นคอมันว่าได้หมดเน่ะมันยึดครองหมดเมืองท่าไหลายทั้งปงวงเรานี่มันยึดครองหมดถ้าอาัจตามันโผล่ขึ้นมาเลยมันยึดครองได้หมดมันยึดครองได้หมดท่านจึงให้กาหนดดูความเจ็บความปวดเนี่ยมันก็เป็นทุกขเวทนา อ่ะมันเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องการให้มันเป็นเราต้องการให้เปลี่นมันก็ไม่เปลี่ยนแล้วไม่ต้องการให้มันเป็นมันก็เป็นอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราลองอยากไม่ให้มันมันเจ็บมันปวดดูมันก็ไม่หายเพราะเหตุปัจจัยของมันมันไม่ใช่อยู่ที่ความอยากของใจของเราเหตุปัจจัยที่มันเจ็บมันปวดน่ะ มันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยของมันต่างหากไม่ใช่เหตุปัจจัยของผู้รู้ของเรานี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเส้นเอ็นมันมันบิดมันเบี้ยวมันขัดมันทับเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันไปขัดตรงนั้นมันไปคล้องตรงนี้มันก็ปวดตรงนั้นก็ปวดตรงนี้จะยังปวดหลังเรานั่งนานๆต้องทรงตัวไว้นานต้องเกรงตัวไว้นานปวดหลัง ฝ่าเท้าปลายเท้านั่งทับนานนา น, นานเกินไปเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็ปวดขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาขึ้นมานั่นคือเหตุปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอิริยาบทอิริยาบทการที่เราพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงลุกเดินยืนนั่งนอนเป็นอิริยาบทที่ปิดบังความทุกข์ ปิดบังสัจจะธรรมอย่างหนึ่งคือความทุกข์อิริยาบถปิดบังสัจธรรมปิดบังความทุกข์ปิดบังกองทุกข์พอความทุกข์จะเริ่มแสดงตัวให้ปรากฏเราก็พลิกเปลี่ยนหน้าอาอิริยาบถมาทับเข้าไปความจะเริ่มเป็นอีกพลิกเปลี่ยนเนี่ยอิริยาบถอิริยบบาบถบังบังทุกข์ บางทุกขงังอิริยบทบางทุกขงังสำคัญมั่นหมายว่าร่างกายเราเป็นก้อนเป็นแท่งบางอนัตตาบางอนัตตาการสำคัญมันทำให้บางความสําเขตสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอนัตตาว่าเราบังคับได้อะไรได้ ว่าเราเป็นก้อนว่าเราเป็นแท่งแต่ท่านไม่ใช้ไม่ให้ดูแค่นั้นถ้าให้ดูแย่แยะก็ไปโอ้เป็นดินโอ้เป็นน้ํามันอยู่ปนกันอย่างนั้นโอ้เป็นลมโอ้เป็นไฟมันอยู่ปนกันนั่นแหละดินน้ํำลมไฟมันอยู่ปะปนกันอย่างนั้นแหละนี่ที่เป็นรูปธรรมเวลามันทํางานไม่สะดวกมันก็แสดงกิริยาแห่งความทุกข์ เข้ามาให้ปรากฏที่จิตของเราเป็นทุกขเวทนาแล้วก็ดูไปดิแต่ผู้รู้คือจิตจิตรู้มีสติมีสัมผชัญญะกำกับรู้เวทนากา้สักตะวารุเวทนาเวทนาเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเราตั้งใจนั่งภาวนาเพื่อให้สัจธรรมปรากฏแต่เวลามันปรากฏทำไมเราถึงทนดูไม่ได้ทนดูด้วยใจที่เป็นกลางในเราทนดูได้ มันก็เหมือนกับอารมณ์ที่ปรากฏทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายนะันะทุกเวทนาที่ปรากฏที่กายเราก็เอาจิตของเราดูเวทนากขักถาวาเวทนามีสติที่บริสุทธิ์รู้อยู่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่เรียกว่าสติที่บริสุทธิ์ไม่ให้มันมีอัตตาไม่ให้มันมีตัวตนเข้าไปสําคัญมันหมายยึดเอาว่าเราเจ็บเราปวด เรานั่งนานๆเราเจอแค่เรานั่งมาแค่นี้เราก็เจอเรานั่งเมื่อกี้ชั่วโมงกว่าเนี่ยเราก็เจอเจอแล้วเรานั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เจอแล้วอยู่บางคนร่างกายไม่สมประกอบเลยแล้วนะ่ะแป๊บเดียวมันก็เจอแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นนั้นอนะ่ะมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเราควรจะทําความรู้เท่าทันเหตุปัจจัยของมันะ โดยที่ไม่ได้เอาใจของเราไปกะไปเกณฑ์ไปมั่นไปหมายให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองมันไม่เป็นดอกไม่เป็นไปตามใจหวังของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอนัตตานัตตานี้แหละอนัตตะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจของตัวเองไม่ได้นี่แหละคืออนัตตะภาวะเหล่านี้ท่านให้เราพิจารณาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจเพื่อไม่ให้เรานิ่งนอนใจในอัตภาพในสังขารในร่างกายนี้ อัตภาพอันนี้ร่างกาย น, นี้สังขารอันนี้เป็นสังขารรวมกันแล้วเป็นกายสังขารละนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้คงที่อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปทำคิดกะเกณให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เขาก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ใครจะไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจไปตัดสินใจได้นอกจากผู้รู้ที่ดูมาให้เป็นเรื่องจริงของจริง ดูให้เห็นให้เป็นเรื่องจริงให้เป็นของจริงเพื่อไม่ให้กิเลสตัณหามันสวมรอยเข้ามามันแทรกเข้ามาถ้าดูไม่เห็นดูไม่ทันดูละเอียดไม่ถึงมันนี่มันสวมรอยเข้ามาสวมรอยเข้ามาแล้วก็ทําให้เราท้อแท้อืทําให้เราท้อแท้ทําให้เราเห็นว่าโอ้ทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินเวลาถามไปจริงๆว่าอะไรทุกข์ถามไปจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรทุกข์ จริงเล้่นี้มันสมเข้ามาเหมือนกับพยับเหมือนกับมายาเหมือนกับพยับแดดมันสมเข้ามามันเร่งเข้ามาเหมือนเหมือนมายาของแดดบนท้องถนนนั่นแหละอันก็ผสมเข้ามาอันนี้ก็ผสมเข้ามานั่นก็ผสมเข้ามานี่ก็ผสมเข้ามามันรบเราเข้ามามันรุมเข้ามาเราไม่ได้แยกแยะว่าอะไรทุกข์กันแน่กายทุกข์หรือเวทนาทุกข์หรือหรือจิตทุกข์ เราไม่เคยเราไม่เคยแยกเราไม่ได้แยกในเมื่อเราไม่แยกเราก็สุ่มสักหน่อยก็อัดตาตัวตนทั้งหมดทั้งดุ่นอัตตาตัวตนทั้งหมดทั้งดุ่นโอ้ยชูไม่ไหวแล้วโอ้ยต้องพลิกโอ้ยต้องเปลี่ยนโอ้ยทุกข์แล้วเกินโอ้ทรมานแล้วเกินว่าทุกข์อีกว่าทรมานลองถามดูอะไรทุกข์ลองถามดูอะไรทุกข์ลองถามดูอะไรทรมานหากสังขารมันเป็นไปตามเพศอเป็นไปตามภาวะของมันเท่านั้นเอง มันทนไม่ได้มันเปลี่ยนไปจากภาวะที่ปกติสุขมันไปเจ็บไปปวดไปอะไรก็นั่นแหละคือภาวะที่มันเปลี่ยนไปมันอยู่คงที่ไม่ได้ดูพยายามดูแล้วก็ทำใจให้ละเอียดพิจารณาให้จิตได้รับความสงบได้รับความรอบรู้สิ่งเหล่านี้เอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องลับปัญญาของเรานี่เป็นงานข้างในละเอียดนะเป็นงานข้างในโดยให้เห็นดูให้เข้าใจ เพื่อให้มันทุกข์มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนไม่งั้นจิตของเรามันคอยจะมาคาดคาดเดาอนาคตคาดเดาข้างหน้าคาดเดาข้างหลังแล้วก็ดึงเอาความทุกข์มาทับถมจิตของตัวเองอคาดเดาข้างหน้าคาดเดาข้างหลังแล้วดึงความทุกข์มาทับถมไัวใจของตัวเองอ๋อเราจะอยู่ไปถึงเท่านั้นไปถึงเท่านี้จะอยู่ได้หรือเปล่าเราจะประสบ สิ่งนู้นประสบสิ่งนี้ทุกอยางลาบากอย่างนั้นอย่างนี้จะทนได้หรือเปลา่าอะไรสารพัดมันคาดเดาไปข้างหน้าแล้วก็ทุกยังไม่ถึงดอกทุกมาแล้วอคาดเดาไปข้างหลังโอ้ถ้าเปิดข้างหน้าเราไม่สมหวังอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องประสบปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเรายิ่งแย่เข้าไปอีกทุกเติมเข้าไปอีกมันละเอียดนะมันกนระสิบกระซาบในหัวใจของเราดูไปให้ดีดูไปให้ดีด พิจารณาให้ดีแค่เราบังคับถึงขั้นบังคับเราก็ควรจะบังคับให้มันสงบกำหนดจดจ่ออยู่นี่แหละไม่มาคลาดไปจากพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตัวมันอยู่ในขั้นบังคับเราก็บังคับเราจะว่าไม่บังคับไม่ได้ดอกบังคับไม่เกิดบังคับไม่เกิดบังคับไม่เกิด ทำไม่บังคับเนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือในการอดในการทนการอดการทนนั่นแหละคือการบังคับขนะันติคือความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งฟังแต่ว่าเป็นตะบะอย่างยิ่งความอดความทนเป็นตะบะอย่างยิ่งทนไม่พลิกทนไม่เปลี่ยนทนไม่เชื่อไปตามมันง่ายๆชนทนไม่ยึดเอา อ่าทนไม่ใจอ่อนทนจ้องดูอารมณ์เหล่านั้นให้มันชัดเข้ามาชัดเข้ามาชัดเข้ามานี่คือตบะเป็นตบะอย่างยิ่งความอดความทนเป็นตะบะอย่างยิ่งอรู้สึกว่าเออผิดหวังผิดหวังต้องอดทนไม่ให้มันไม่ให้มันเสียใจอโอ้สมหวังก็อดทนไม่ให้มันดีใจเน่ เอาอะไรนะความอดทนนั่นแหละเป็นเครื่องบังคับเรายะว่าบังคับไม่เป็นบังคับไม่เป็นมันต้องบังคับไม่บังคับไม่ได้เพราะคุณค่าของการบังคับนั่นแหละคือความอดความทนความอดความทนก็เหมือนอย่างเรารับมือนออย่าางเรดข้าวนั่นแหละเท่ากับว่าเราบังคับให้มันกินเราต้องใช้ความอดความทนไหมต้องอดต้องทน รลองไม่มีความอดความทนมันกระซิบกระซาบนิดหน่อยกอหลงรวมให้กับมันมันจะมันจะมีความอดความทนไหมไม่มีความอดความทนเพราะอะไรเพราะเราไม่บงังคับเราบังคับไม่ได้การบังคับเราก็บังคับให้เกินนั้นไปเลยขณะนี้เราทุกข์ทรมาร์ล้วเกินล้วบับงคับบังคับให้เลยนี่ไปอีกอยากรู้ว่าเลยไปนี่อีกมันจะเป็นไรเลยนี่อีกไปจะเป็นไรเลยนี่อีกมันเป็นไรพยายามดูพยายามขยับไปอย่งางนั้น ในใจของตัวเองเลยนี่ไปอีกจะเป็นอะไรเลยนี่ไปอีกจะเป็นอะไรเลยนี่เลยนี่ไปอีกจะเป็นอะไรทากันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้เจอของดีอะถ้าเราอดทนอยู่อย่างนี้เราจะต้องเจอของดีเลยนั้นไปแล้วเทียบกับอะไรล่ะเราเทียบเหมือนกับเราทนเจาะเจาะอะไรเจาะน้ําเอ้าวสมมุติเราเจาะน้ํำโอ้ยพลาญหินดานหินอะไรหนาแท้ อดทนเจาะไปเจาะไปสน่นไหนตกพรุงน้ำพุ่งขึ้นมาอนี่คือข้อเปรียบเทียบเราก็เปรียบเทียบไปอดให้เกินนั้นทนให้เกินนั้นไปไม่ใช่เป็นคน a. อ่อนแออ่อนแอท้อแท้เลี้ยวไหลอ่อนปวกเปียกไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่คนอ่อนแอเราพูดรร้จะใช้คาว่ายัางไงใช้คาว่าอ่อนแอ คนอ่อนแอมีความอดความทนไหมไม่มีไม่มีความอดความทนมีการบังคับตัวเองใส่ไหมไม่มีความอดความทนก็ไม่มีมบังคับบัญชา ต, ตัวเองใส่ก็ไม่มีเจออะไรนิดหน่อยก็ยุบแล้วเจออะไรนิดหน่อยก็ยุบแล้วอะถ้าเราจะเที่ยวเหมือนกับอะไรละ่ะเหมือนกับเล็กไม่ดีนั่นแหละฟันถูกอะไรแข็งนิดหน่อยก็ยุบแล้ว เบี้ยวแล้วบิดแล้ว ม, มันเป็นอย่างงั้นแหละมันขาดความอดความทน ม, มันไม่สู้มันไม่ทนคีครั่งคีครั่ลงลงตาแต่ว่าพระคีครั่งเจอแต่พระขี้ครั่งขี้ครั่งปกติคีครั่งเนี่ถูกแดดแล้วมันมันอ่อนปวกเปียกหมดนะ กีรั้งก็ตามเทียนน้ำมันเทียนก็นตามเนี่ยลองไปวางตากแดดลองดูลองไปวางตากแดด ล, ลอง ด, องงองดูมันก็ อ, อ่ อ, อนปลกเปียกหมดนั่นแหละคนขาดความอดความทนคนอ่อนแอคนไม่มีการฝึกฝนอบรมมีความอดความทนไม่มีการบังคับให้เป็นไปตามนั้นเรียกร้องภายในจิตเรียกร้องหาแต่ความสุข เรียกร้องหาแต่ความสุขอย่างอิสระเสรีที่กิเลสที่กิเลมันยุให้เรียกร้องอะล่ะมันยุให้เรียกร้องโอ้ไม่ได้สมหวังมันเรียกร้องกี่ครั้งมันก็ผิดหวังเท่านั้นครั้งกิเลมันยุให้เรียกร้องกี่ครั้งมันก็ผิดหวังเท่านั้นครั้งผิดหวังกี่ครั้งกระทุกเท่านั้นครั้งทุกอยากน้อยไปหามากทุกอยากมากมาหาน้อยกระทุกไปเรื่อยๆก็เถาะกระแหะจิตใจดวงนั้นก็ยิ่งกระเซาะกระแสะ ยิ่งใจเส่อออนแออยู่อย่างงั้นเลยเพิ่มเข้าไปเรื่อยต้องอดความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่งคันติตโปะตะปัดสีโนขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราศขันติธีรัศลังกาโรขันติหิตะสุขาวะหาอดทนได้ความสุขจะตามมาในภายหลัง ขันติหิตะสุขาวะหาพระสงฆ์สาวกพระเดียสาวก ร, รวมถึงพระศาสดาของเรามีขันติมีความอดมีความทนอดทนอย่างยิ่งอดทนอย่างยอดเยี่ยมที่จะเรียกว่าอาธิวาสนะขันติคืออดทนเจ็บใจอดทนเจ็บใจก็คืออดทนให้ความโกรธมันกำเริบในหัวใจของเราะ ด้วยเหตุที่เราเข้าถึงหลักสัจจะสัจจะสมมติมีคนมาด่าเราเนี่ยจิตของเราเข้าถึงหลักสัจจ ะ, ะเขาดายยังไงก็ เ, เป็นปากของเขาลมปากของเขาคําพูดของเขาเขาด่าของเขาหูเราก็สักแต่ว่าฟังเฉยๆเราไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เขาว่าถ้าหากเราเป็นอย่างเขาว่าเราก็ต้องยอมรับเออใช่เออใ ช, ออใช่มันว่าใช่เออมันว่าใช่ใช่นี่คือคือคน คนที่มีคนที่มีธรรมเออใช่ยอมรับเออใช่ยอมรับจะออกปากหรือไม่ออกไม่ออกปากก็ตามยอมรับเออใช่กูต้องแก้กูต้องแก้เราต้องแก้่ยอมรับเขาบอกเขาบอกอย่างนั้นบอกให้ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ทราบว่ามันไม่ใช่ไม่ยินดีกับคําที่เขาชมเฉยไม่ยินร้ายกับคําที่เขานินทาว่าร้ายนในเมื่อเราไม่เปิดใจรับเอา ที่ไหนจะมาทับท่วมทับถมหัวใจของเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ข้างในนะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยประกอบว่าเราจะปฏิบัติรักษาตัวเองอย่างไงวันคือล่วงไปล่วงไปเรามีอะไรเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนามีผลรายได้อะไรเกิดขึ้นในหัวใจของเราถ้าเราต้องออต้องใจทําอย่างนี้ เราทราบแก่ใจว่าเราขยับไปหรือเรายืนอยู่กับที่หรือเราถอยหลังเราทราบอยู่กับใจเราทราบอยู่แก่ใจของเราเองเอาละวันนี้พอสมควรแล้วเออเอา เ, อาเลิแกแค่นี้